พ่อคะพระพุทธรูปให้โทษเราได้ไหมคะหนูกับสามีได้เช่าพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งตั้งแต่นำเข้ามาไว้ในบ้านรู้สึกว่าโชคไม่ดีเลยที่เคยทำมาค้าขึ้นก็กลายเป็นฝืดเคืองเอาไปทิ้งน้ำจะดีไหมคนถามเป็นหญิงสาวอายุประมาณส0สหล่อนมากับสามีวัยเดียวกันไม่ดีแน่พระพุทธรูป เป็นพุทธานุสติคือเป็นเครื่องให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้โทษได้อย่างไรนั่นสิครับหลวงพ่อพระพุทธรูปคงม่ห้โทษแต่ผมก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมเราถึงโชคไม่ดีนับแต่ได้ท่านมาไว้ในบ้านสามีหล่อนว่าโยมเอามาจากไหนละ่ะ พระใหม่หรือเก่าเราเช่ามาค่ะหลวงพ่อเป็นพระเก่าแล้วก็เช่ามาในราคาถูกเจ้าของค้อนเงินหลวงพ่อช่วตรวจสอบให้หน่อยเธอแคลว่าที่เราโชคไม่ดีนั้นเป็นเพราะพระพุทธรูปหรือเปล่าคงไม่ใช่แน่ถึงอย่างไรอาตมาก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธรูป ให้โทษเพราะเคยพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์อย่างไรคะเอาล่ะอาตมาจะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเล่าว่าสมัยที่อาตมาอยู่วัดพรมบุรีอาตมารู้จักกับเจ๊คนหนึ่งชื่อเปียมีอาชีพขายกล้วยแขกอยู่ในตลาด อาตมารเรียกแกว่าเจเปียเพราะอายุแก่กว่าอาตมาสักสามหรือสี่ปีรู้จักกันตั้งแต่อาตมายังเป็นเด็กในเวลาต่อมาเจเปียได้แต่งงานกับเท่าแก่ร้านขายทองฐานะร่ำรวยเลยเลิกขายกล้วยแขกตอนอาตมาบวชเจเปียมีลูกสามคน แล้วก็เลยเรียกอาตมาว่าหลวงนาคือเรียกตามลูกวันหนึ่งอาตมาไปแวะเยี่ยมแกที่ร้านขายทองในตลาดแกก็ให้ดูพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสุขโขทยัยอายุประมาณ700รถึง800ปีมีรูอยู่ที่แท่นแกบอกอาตมาว่า หลวงนาะพระองค์นี้พิกลตั้งแต่ฉันเช่าเข้ามาไว้ในบ้านฉันกับเท่าแกทะเลาะกันทุกวันแล้วก็แปลกตรงที่ทะเลาะกันเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็เปเลิกเอาหกโมงเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยหลวงนาช่วยตรวจดูหน่อยเถอะว่าเป็นเพราะพระองค์นี้หรือเปล่า อาตมาก็ไม่เชื่อว่าสาเหตุจะมาจากพระอุทธรูปเลยแนะนำแกว่าสงสัยจะหิวข้าวมัง้งถ้าเช่นนั้นให้พากันทานข้าวตอนสี่โมงพอห้าโมงท้องอิ่มจะได้ไม่ทะเลาะกันแกก็ทำตาม วันรุ่งขึ้นก็มารายงานให้อัตมาทราบบอกหลวงนาะฉันกับเท่าแก่ทำตามที่หลวงนาบอกแต่ก็ยังทะเลาะกันอยู่ดีพอห้าโมงตรงทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างงุดหงิดพอหกโมงเย็นก็หายอัตมาก็แนะนำอีกว่าให้เปลี่ยนมาทานบ่ายโมงถ้ายังไม่หาย ก็เปลี่ยนมาทานสองทุ่มเจ๊ปเปียก็กลับไปบ้านรุ่งขึ้นอีกสองวันก็มารายงานอีกคราวนี้เท่าแก่ก็มาอุ้มพระพุทธรูปมาด้วยเจ๊ปเปียรายงานว่าหลวงนาะวันก่อนฉันกับเท่าแก่ก็ทำตามที่หลวงนาแนะนำคือทานข้าวตอนบ่ายโมงพอห้าโมงเป็งก็ทะเลาะกันอีก หกโมงจึงหยุดทะเละก็เลยตกลงกันว่าวันรุ่งขึ้นจะทานข้าวตอนสองทุ่มตามที่หลวงนาแนะนำปรากฏว่าพอห้าโมงทะเละกันอีกคราวนี้ทะเละกันยันสองทุ่มเลยเป็นอันว่าข้าวปลาก็ไม่ได้กินฉันกับเท่าแก่แน่ใจว่าต้องเป็นพระองค์นี้ เลยเอามาฝากหลวงนาไว้ช่วยตรวจให้ด้วยว่าพระองค์นี้มีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็พากันลากลับอาตมาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ตรวจให้เดือนต่อมาอาตมาไปที่ตลาดก็ไปแวะถามข่าวคราวที่ร้านเจ๊เปียก็รายงานว่าตั้งแต่เอาพระองค์นั้น ไปฝากไว้ที่หลวงนาะฉันกับเท่าแก่ไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยต้องเป็นเพราะพระองค์นั้นแน่ๆฉันไม่เอาคืนแล้วถาวายหลวงนาเลยเจ๊เปียว่าอย่างนี้แล้วเวลาห้าโมงหลวงพ่อทะเลาะกับใครบ้างหรือเปล่าครับคนเป็นสามีถามเพื่อหาข้อสรุปจะทะเลาะกับใครละ่ะ อาตมาเป็นพระขืนไปทะเลาะวิวาทกับใครก็เป็นอาบัติโทษนะสิท่านตอบถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าพระพุทธรูปไม่ได้เป็นสาเหตุให้เจ้เปียกับเท่าแก่ทะเลาะกันใช่ไหมคะคนเป็นพัญญาถามเป็นหรือไม่เป็นอาตมายังไม่ตอบขอให้อด ใจฟังต่อไปแล้วท่านจึงเล่าต่ออัตมาก็มาคิดดูว่าเอทะเลาะกันเป็นเวลาก็แปลกดีเจ๊เปียกับเท่าแก่แกสวดมนต์ไม่เป็นทั้งคู่ไม่เคยสวด น, นั่งกรรมฐานก็ไม่เป็นอัตมาก็ถามเขาว่าเช่ามาองค์ละเท่าไรเจ๊เปียก็บอกว่าพันบาทซึ่งอัตมา ก็ว่าไม่แพงเพราะเป็นพระเก่าพอกลับวัดอาตมาก็พิจารณาพระพุทธรูปอย่างละเอียดเป็นพระปางสุขโขทยัยสวยงามมากลวดลายสลักฝีมือประณีตเรียบร้อยขนาดหน้าตักกว้าง12นิ้วเสียอย่างเดียวคือมีรูที่ฐานเท่านั้น แล้วอาตมาก็ใช้วิธีดูแบบไสยศาสตร์ตามที่เคยเรียนมาโดยว่าคาถาพุทธังอาราธานานังธรรมังอาราธานานังสังขังอาราธานานังโอ้โหขนหัวลุกเลยก็สรุปว่าพระองค์นี้คลังดี แต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมทาให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเลยเปลี่ยนวิธีใหม่ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนาแล้วแผ่เมตตาบอกเทพที่สิงอยู่ในพระพุทธรูปปางสุขโขทัยองค์นี้ขอท่านดลใจให้รู้เหตุผลว่าทำไมเจ๊ที่เช่าไว้จึงต้องทะเลาะกับสามี ขอให้ช่วยหาเหตุผลให้ได้อาตมาก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนได้ผลออกมาเลยแหมพระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งเหลือเกินแผ่เมตตานี่ให้ผลดีมากคำสอนของพระพุทธเจ้าช่างอัศจรรย์เป็นที่สุดลุงพ่อหาสาเหตุได้หรือครับ ูกแล้วไม่น่าเป็นไปได้เลยเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเรื่องก็คืออยู่มาวันหนึ่งคนที่วัดหัวบึงซึ่งอยู่หลังอำเภออินออกไปหลายกิโลเมตรเขาได้ข่าวจากคาเล่าลือว่าอาตมาเทศมหาชาติเกง่งเทศกันมัดซีคนฟังร้องไห้สลบตามนางมัดซีไปเลย เขาได้ข่าวมาว่าอย่างนี้แล้วจริงหรือเปล่าคะหญิงสาวถามขึ้นอันนี้ต้องถามคนฟังอัตมาเป็นคนเทศตอบไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าอัตมาอวดอ้างสรรพ ค, คุณแต่โยมคนนั้นเข้ามาบอกอย่างนี้เจ้าภาพส่งเข้ามานิมนต์อัตมาให้ไปเทศที่วัดหัวบึงตอนนั้น อาตมายังหนุ่มนะเพิ่งบวชได้ 3, 4, สามสี่พันษาถึงวันนัดอาตมาก็นั่งเรือไปลงที่อำเภออินเจ้าภาพเขาส่งมอเตอร์ไซค์มารับต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอีก15กิโลเมตรออกไปกลางทุ่งวัดหัวบึงเป็นวัดธรรมยุทธเพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีอาตมาก็รู้จักกับสมพานแต่ไม่รู้จักเจ้าภาพ แล้วทำไมเขามานิมนต์ได้ล่ะครับคือเขาได้ข่าวเล่าลือว่าอาตมาเทศเก่งจึงส่งคนมานิมนต์เหตุผลที่แท้จริงก็คือเกิดจากเทพที่สิงสถิตในพระพุทธรูปดนใจให้เจ้าภาพอยากนิมนต์อาตมาทั้งที่ไม่รู้จักกัน คนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกอาตมาว่าแวะบ้านนี้ก่อนเถอะเจ้าของบ้านเขาใจดีเดี๋ยวผมจะล่วงหน้าไปส่งข่าวเจ้าภาพก่อนแล้วจะกลับมารับอาตมาอาตมาก็บอกไม่แวะดีกว่าเพราะไม่รู้จักเจ้าของบ้านเขาก็บอกแวะเถอะอีกครึ่งกิโลก็จะถึงบ้านเจ้าภาพ เดี๋ยวผมกลับมารับก็ให้อัตมาลงอาตมานึกโกรธจนต้องยืนกำหนดโกรธหนอโกรธหนอเจ้าของบ้านสองคนตายายเห็นก็กุลีกุจจอ ลงมานิมนต์ขึ้นไปบนบ้านหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายบ้านเขาหน้าอยู่มากเป็นเรือนทรงไทยหลังใหญ่ก็สนทนาปราศัยกันโยมผู้ชายเล่าว่าเขาเคยบวชมา 15, สาิบห้าพันษาเทศเกง่งมีคนนิมนต์ไปเทศตามวัดตามลานข้าวตามหมู่บ้าน และติดกันเทศกราวละมากๆยิ่งเทศมหาชาติด้วยแล้วคนฟังไม่ลุกไปไหนเลยเวลานี้เขามีลูกห้าคนเป็นนายอำเภอสองคนนอกนั้นก็รับราชการและแยกครอบครัวไปหมดเหลือสองคนตายายอยู่บ้าน อาตมาก็หันไปเห็นโต๊ะหมู่บูชาเป็นโต๊ะฝังมุกสวยงามมากแต่ไม่มีพระพุทธรูปจึงถามเขาว่าไม่มีพระบูชาหรอกหรือเขาก็ตอบว่าไม่มีอาตมาบอกจะให้องค์หนึ่งเอาไหมที่วัดมีเยอะทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดพิกุลทองแล้ว เขาก็บอกไม่เอาหรอกครับผมไม่อยากได้องค์อื่นนอกจากองค์เก่าของผมพอโยมผู้ชายพูดอย่างนี้โยมผู้หญิงน้ำตาร่วงเลยอาตมาก็ถามว่าแล้วพระองค์นั้นไปไหนละ่ะเขาก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปเขาบอกตอนที่เขาบวชอยู่และไปเทศตามบ้าน สมัยนั้นเขาอยู่สุขโขทยัยมีคนเอาพระพุทธรูปติดกันเทศมาสามองค์พอเขาศึกก็ถวายสมภารไปหนึ่งองค์ถวายไว้ที่หอฉันหนึ่งองค์อีกองค์หนึ่งเขารักมากเก็บไว้เป็นส่วนตัวเป็นพระพุทธรูปปางสุขโขทยัยมีรูอยู่ที่แท่นพอเขาเล่ามาถึงตอนนี้ อาตมาก็ชักเอะใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็นั่งฟังต่อไปเขาก็เล่าว่าพอศึกมาก็มาได้พัญญาที่พิษนุโลกแล้วลงมาธรรมาหากินที่ชายนาฏกระทั่งมาจับจองที่ดินทำกินอยู่ใกล้วัดแห่งนี้มีลูกห้าคนเรียนหนังสือเก่งทุกคนเขากับพัญยาก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานทุกวัน ก็ทำมาค้าขึ้นมีที่นาถึงห้าร้อยไร่พระพุทธรูปองนี้ทำให้เขารวยวันหนึ่งโจรมาปล้นบ้านเอาเงินทองไปเขาไม่เสียดายแต่เอาพระพุทธรูปไปเขาเสียดายเสียใจร้องไห้อยู่หลายวันพอถึงห้าโมงเย็นเขากับพัญญาก็มานั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชา สวดมนต์นั่งกรรมฐานแผ่เมตตาไปยังพระพุทธรูปที่ถูกโจรเอาไปทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันถึงเจ็ดเดือนนับแต่ถูกปล้นอาตมาก็ถามว่าพระโยมีลักษณะอย่างไรเขาก็ตอบตรงตามลักษณะของพระองค์นั้นทุกอย่างอาตมาก็แน่ใจว่าต้องใช่องค์นั้นแน่แต่ก็นิ่งไว้ ยังไม่พูดอะไรพอดีมอเตอร์ไซค์มารับอาตมาก็ลาเจ้าของบ้านไปเทศกันมัดสีที่วัดหัวบึงวันนั้นกลับถึงวัดสี่ทุ่มรุ่งเช้าอาตมาก็ไปหาเจ๊เปียถามว่าซื้อพระมาจากใครแก่ตอบว่าจากตาอินพอดีอาตมารู้จักตาอินก็ไปตามที่บ้านแก ตอนนี้แกยังอยู่หรือเปล่าคะหญิงสาวถามตายแล้วตายก่อนที่อาตมาจะย้ายมาอยู่วัดนี้แล้วตะอินซื้อมาจากใครครับหรือว่าเป็นคนไปปล้นคนเป็นสามีอยากรู้เปล่าหรอกตะอินแกเป็นคนดีไม่ได้เป็นโจรแกบอก แมมท่านครับพระองค์นี้แปลกมากมาอยู่บ้านผมล้านสาวสองคนหนีตามผู้ชายไปหมดระกูลผมไม่เคยเป็นอย่างนี้ผมก็โกรธพระเลยขายให้เจ๊เปียไปในราคาพันบาทอาตมาก็ถามว่าซื้อมาจากไหนแกก็บอกซื้อมาจากบ้านทับยาที่เข้าขายพระอาตมาไม่ละความพยายาม อาตมาไปถามบ้านทัพยาถามร้านขายพระว่าขายพระให้ตาอินไปใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่ขายไปห้าร้อยบาทอาตมาถามว่าทำไมถึงขายแกก็ว่าท่านเอ้ยตั้งแต่ได้พระองค์นี้มาพอห้าโมงเย็นเมียผมด่าแหลกเลยแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้ มันด่าตั้งแต่ห้าโมงยันหกโมงพอหกโมงไปแล้วก็เลิกด่าเป็นอย่างนี้ทุกวันพอผมขายพระไปมันเลิกด่าเลยอาตมาก็ถามอีกว่าโยมไปซื้อมาจากใครเขาก็บอกบ้านให้อาตมาก็ไปบ้านนั้นเขาก็บอกลุงพี่พอผมเช่าพระองค์นี้มาพี่น้องทะเลาะกัน ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลพอขายพระองค์นี้ไปศาลยกฟ้องเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออาตมาก็ถามว่าไปเช่ามาจากใครเขาบอกซื้อมาจากบ้านน้องสุ่มเป็นบ้านเสือคนบ้านนี้ยึดอาชีพเป็นเสือเป็นโจรที่อบล้นเขาเป็นกันเกือบทั้งหมู่บ้านอาตมาก็เลยจําใจ ต้องเข้าไปในดงเสือนี่ใช้เวลาหลายวันเลยนะไม่ได้ทำในวันเดียวตกลงหลวงพี่ไปบ้านเสือไหมครับก็ต้องไปเพราะต้องการพิสูจน์ความจริงให้ได้พอรุ่งขึ้นอีกวันอาตมาก็เดินทางไปบ้านเสือไปคนเดียวไปถึงก็ถามหาบ้านที่ขายพระพุทธรูปให้โยมคนนั้นก็ไปถามบ้านหนึ่ง เขาก็บอกรู้จักแล้วเขาก็พาไปบ้านโยมคนที่ขายไปถึงอาตมาก็ถามเขาตรงๆว่าโยมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอาตมาเป็นพระภิกษุอยากจะถามว่าพระพุทธรูปที่โยมขายไปนะ่ะโยมไปปล้นมาจากบ้านหัวบึงใช่ไหมขอให้บอกมาตามจริงเท่านั้นแหละโยมคนนั้น คว้าปืนมาเจอใส่อาตมาเลยพูดโกรธว่านี่ท่านเป็นสายสืบให้ตำรวจหรือยิงทิ้งเลยดีไหมอาตมาก็รีบท่องคาถาของสมเด็จโตคาถาอะไรคะคนเป็นพญญาถามอย่างสนใจคาถาเมตตามหานิยมคลังมากโยมจำเอาไปใช้บ้างก็ได้ ไม่สงวนลิขสิทธตคาถามว่าอย่างไรครับคนถามคือสามีเมตตคุณนงอรหังเมตตาแล้วเป่าเพียงโยมคนนั้นลดปืนลงเลยเมตตานี่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะก็สรุปได้ว่าแกไปปล้นเข้ามาจริงแล้วก็ขายกันต่อๆไปเป็นแถว ไปอยู่บ้านไหนพอห้าโมงเย็นคนบ้านนั้นต้องทะเลาะกันทุกรายแม้จับได้ตอนแผ่เมตตานี่เองโยมเจ้าของพระบอกอาตมาว่าเขาช่วยกันแผ่เมตตาให้โจนทุกวันโยมจำไปใช้เลยนะอะไรอะไรก็สู้เมตตาไม่ได้โกรธใครเกลียดใครก็แผ่เมตตาให้เขาไป อย่าไปแช่งชักหักกระดูกเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองถ้าแผ่เมตตาให้เขาก็จะสะท้อนกลับเข้ามาหาเราเองเหมือนกันตกลงสองตายายได้พระครูนไหมครับอาตมากำลังจะเล่าอยู่พอดีเป็นอันว่าพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นของสองตายายแน่อาตมาก็ไปหาเจ๊เปีย บอกจะขอซื้อพระพุทธรูปไปคืนเจ้าของพบเจ้าของแล้วเจ๊เปียจะขายเท่าไหร่เจ๊เปียบอกไม่ขายหรอกฉันถวายหลวงนะอัตมาก็ไม่ยอมเอาเงินให้เขาหนึ่งพันบาทตามราคาที่ซื้อมาเขาก็ไม่ยอมรับยืนยันว่าถวายอัตมาเพราะตั้งแต่เอาพระพุทธรูปมาไว้วัดไม่เคยทะเลาะกันอีกเลย รุ่งขึ้นอีกวันอาตมาจึงเดินทางไปบ้านหัวบึงเอาพระพุทธรูปไปด้วยห่อผ้าขาวสองชั้นอย่างดีเลยไปถึงอาตมาก็บอกโยมอาตมาเอาพระพุทธรูปมาให้เข้าปฏิเสธพร้อมกันทั้งสองคนบอกไม่เอาครับไม่เอาค่ะพออาตมาแก้ห่อผ้าออก น้ำตาร่วงทั้งสองคนเลยจากนั้นก็ไม่สนใจอาตมาเสียละช่วยกันสงน้ำพระพุทธรูปปิดทองสวดมนต์ทกรรมฐานอาตมานั่งดูเงียบๆดูเวลาไปด้วยดูเวลาด้วยปรากฏว่าใช้เวลาถึงสองชั่วโมงบอกต้องต้อนรับให้สมกับที่คิดถึงเสร็จแล้ว จึงได้มานั่งคุยกับอาตมาอาตมาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเขาก็หยิบเงินมาสองหมื่นบอกถวายเพื่อสนองพระเดชพระคุณอาตมาไม่รับบอกว่าร้านทองเขาถวายอาตมาอาตมาก็นํามาคืนเจ้าของจึงรับไม่ได้สตางค์เดียวก็ไม่รับเขาก็พากันขอบคุณอาตมา กราบแล้วกราบอีกเรื่องนี้อาตมาขอสรุปว่าของบางอย่างเป็นพิษสำหรับเจ้าของไม่ควรซื้อไว้ไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษนะพระพุทธรูปไม่ให้โทษใครแน่นอนแต่ถ้าเจ้าของเขาหวงแหนและสิ่งนั้นได้มาในทางมิชอบเช่นลักเข้ามาปล้นเข้ามา ของนั้นก็จะอยู่กับเราไม่ได้อย่างเช่นพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ใช่พระให้โทษแต่เทพที่สิงสถิตในพระพุทธรูปบันดาลให้เป็นไปอัตมาขอฝากไปคิดเป็นกันบ้านด้วยอัตมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วแสดงว่า เพราะพุทธรูปที่เราสองคนเช่าไว้อาจมีที่มาเหมือนกับองค์ที่หลวงพ่อเล่าก็ได้ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้ด้วยเถอะค่ะหญิงสาวอ้อนวอนหากเป็นเช่นเมื่อก่อนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคงต้องใช้เวลาหลายวันสืบสาวหาที่มาที่ไปแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องทำเช่นนั้นเพราะประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้มากทาให ไม่ต้องลำบากถึงป่านนั้นเพียงหลับตาและพูดในใจว่าเห็นหนอท่านก็รู้ที่มาที่ไปอย่างท่วนทีคนที่เอามาขายเขาขโมยมาจากวัดกลางทุ่งขายในราคา300อบาทใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับคนทั้งสองตอบพร้อมกัน ขอให้โยมนำไปคืนสมภารตุท่านเสียเล่าให้ท่านฟังตามที่อาตมาบอกตอนนี้ทางวัดกำลังหากันจ้าละวันเลยพรุ่งนี้โยมเอาไปคืนนะรู้จักวัดไหมไม่รู้จักครับคนเป็นสามีตอบไม่เป็นไรพรุ่งนี้มารับลูกศิษย์อาตมาไปด้วย เขาเป็นลูกชายสมพานเขาจะช่วยบอกทางให้ท่านจัดการให้เด็กชายสมฤทธิ์ได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อตามที่ฝ่ายนั้นเรียกร้องเป็นอันว่างานนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว